กับทุกท่านพูดกับทุกคนเพราะสิ่งที่เราพูดมันก็มีอยู่กับทุกคนแล้วการพูดเนี่ยเหมือนกับสอบอารมณ์ไม่จําเป็นต้องไปสอบถามทีละคนรหรือไปเยี่ยมนักปฏิบัติเราพบกันด้วยของจริงคือมันมีอยู่ถ้าผิดเราก็ตกไปถ้าถูกเราก็สอบผ่านเกรดดีท่าพผู้เจ้าสอน เรามาเรียนตามพ่อกาตามครูเรามีครูวาอาจารย์ไม่ฉลาดต้นดันคิดเอาเองพระเจ้าสอนว่าให้มีสติดูกายสติปัฏฐานเป็นทางอันเดกเห็นกายในกายเห็นกายจะว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลโตตนโลเขาล้าเราก็เห็นกันทุกคนตอนในที่เห็นกายนี่คือสติคือความรู้สึกตัว มันมีการแสดงอะไรตามอาการของกายตามธรรมชาติของกายเราเห็นหรือเราเข้าเป็นแบบไปกับมันถ้าเราเห็นมีสตินี่ว่าถูกต้องผ่านได้ถ้าเราเป็นเป็นสุขเป็นทุกข์พวกกายเนี่ว่าผ่านไม่ได้เกรดไม่ดีสอบตกอย่างนี้ใครเป็นคนตรวจให้ไม่มีใครตรวจให้เราเราตรวจตัวเองถ้าเราเห็นเนี่ยรู้แล้วมันปวดมันเบื่อมันรอดมันหนาวมันหิวมันกระหายที่เกิดขึ้นกับกาย เรารู้ไม่เป็นไปกับมันที่ว่าเหตุตอบเข้าไปให้มันสมหน้าไม่กระจายจะว่ากา ย, กายไม่ชัดบุคคลตัวตนเหล่าเขาตอบลำหน้ามันอาการกต่างๆไม่ย่ยํายีเราได้ไม่เป็นภัยต่อเรากายที่เป็นภัยกายที่เป็นปัญหาเราก็ได้ปัญญาตรงนั้นด้วยนี่เป็นกันทุกคนเราจงให้มาดูกันถ้าไม่ดูก็ไม่เห็นร่วมไปกับอาการกต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายมันก็ไม่เห็นแหละ แล้วก็เมื่อเกิอยูนนั้นไม่เห็นแจ้งตรงนี้เวทนาก็ดีที่มันเกิดขึ้นรวบรวมเอากายเอาใจมาเป็นเวทนาเอ า, เอาลูกเอารถเอาเสียงเอากินมาเป็นเวทนาเอาตาเอาหูเอาอะไรต่างๆอาจนะภายนอกภายในซึ่งเป็นประตูรับอาการดุกะเข้ามาเราก็ร่วมมาเกับเขาเรียกว่าเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์หลอยประตูที่เป็นสุขเป็นทุกข์เกิดกับปลายเราเกิดกับใจเรา เราก็รวบยอดให้ว่ะเหมือนกันกับเพียนกายสุกทุกข์ไม่ใช่ตัวใช่ตอตนเราก็รู้แล้วไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาที่เป็นเบตานี้ถ้าเราเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าผ่านได้เกรดดีถ้าเราเป็นไปกรรมันไปนสุขเป็นทุกข์ของเราเป็นพบเป็นชาติอยู่ตรงนี้มันก็ไปไหนไปได้โซ่ไม่แก้แกุญแจไม่ไขก็ขหลุดออกไปได้เลยจิตก็เหมือนกันมีไหมมีมันอะไรจิตอ่ะมันคิด เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะความคิดเหตุผลเกิดจากความคิดมันหัติเอาอยากความคิดว่าชอบว่าไม่ชอบเอาความคิดเป็นใหญ่เหตุผลเป็นใหญ่ไม่มีความรู้สึกตัวไปตามอาการของจิตที่มันสั่งการโดยที่ไม่ใช่ความถูกต้องก็มีอย่างที่เราแปล<อ>พังขมาธมามโนเจตธาโนวญาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วที่ใจแต่แปลผิดไปหน่อยนึง ทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหนห้ามีใจประเสริฐสุดไม่ประเสริฐถ้ายังไม่ฝึกค่ะสำเร็จแล้วที่ใจถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่ประเสริฐถ้าใจไม่ฝึกไม่สําเร็จสําเร็จแบบไหนสําเร็จแบบทําชั่วทําชั่วได้สําเร็จสําเร็จแบบทําดีทําดีได้สําเร็จไม่ใช่สําเร็จประเสริฐถ้าสาชั่วการทําสําเร็จไม่ประเสริฐเลยไปฆ่ากันไปป้นไปจี้ไปโกงเกินไ ป, ไป ข, ไปขโมยสิ่งของ เอากายเอาใจไปทำไปคิดมันก็ร่วงเกินเขาแล้วแม้แต่ความคิดเนี่ยมันก็สั่งงานสังการจำเลยหมายเลขหนึ่งคือความคิดจิตใจของเราายเป็นจำเลยที่สองวาจาเป็นจำเลยที่สองที่สามไปเราจะมาเห็นมันซะเห็นแล้วก็เป็นจิตที่มันคิดความคิดที่เกิดจากเราไม่ได้ตั้งใจงมันเป็นส ม, มุทัยมันเป็นตัวสังขารอย่าวิ่งตามมันเกินไป แล้วเราเดินจะกลมอยู่เรานั่งสร้างจยาวาอยู่มันคิดก็อย่าไปกับมันเห็นว่าอันคิดเป็นตัวหนึ่งตัวรู้สึกตัวนี่เป็นตัวหนึ่งเวลานี้เราไม่ใช่มานั่งคิดเรามานั่งสร้างความรู้สึกตัวมาเดินให้รู้สึกตัวก็วเดินไปไวหน่อยตกเท่าเส้นหน่อยชั่วโมองหนึ่งอาจจะเป็นหมื่นหมืนเก้าหลาเดินมาเจ้านี่้ 10, 10ก็นม<อ>ื่นเก้าตีสองว่ใช่แล้วชั่วโมองหนึ่งจนถึงตีข้องนะ่ะอาจจะเป็นหมื่นเก้ารู้ทุกเก้าหมื่นเก้า ชัมงหนึ่งหมื่นลู้จะเป็นยังไงถ้ามันหลงไปแย่งไปก็หลงไปกับคนคิดแต่ถ้าเรารู้มีประโยชน์แต่ถ้าเราหลงไปกับบั้นไม่มีประโยชน์เรียกว่าไม่ผ่านถ้ามันชิดใปรู้สึกตัวตรงนั้นเป็นประโยชน์เรารู้สึกผ่านได้เรียกว่าเกรดดีธรรมก็เหมือนกันธรรมนี่คือความพอใจกวามไม่พอใจมันเกิดจากกาจากใจกากเวทนาเรียกว่าธรรม ความพอใจความไม่พอใจความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นมาเช่นหลวงพ่อเดียนถูกสอบปรลรล่มเพียงแต่เห็นก็บัญญัติขึ้นมาพอใจเพียงแต่เห็นบัญญัติขึ้นมาไม่พอใจเพียงแต่ได้ยินทางหูบัญญัติขึ้นมาชอบได้ยินทางหูบัญยากาขึ้นมาไม่ชอบเรียกว่าธรรมนั่นแหลความพอใจความไม่พอใจเป็นธรรมหัวใจของธรรมนี่เรียกว่าธรรมนั้งหลายไม่ควรยึดมันม่นถือมั่นนะ อะไรที่พูดออกมาอย่างนี้คือสติสามัญชนจะว่านั่นเนี่ยมันจะไปบัญญัติหลังผู้เรียนถูกสอบอลลมอาจารย์สอบวอลลมเป็นยังไงยอมเชื่อขันไม่เป็นอะไรครับโอ้ปฏาาิบัติมาปฏิบัติมาหลายวันไม่เป็นอะไรไปเข้าไปห้องกรรมฐานอีกใหม่หลังผู้เรียนก็โอ้ยอาจารย์น่ยมาถามกันอย่างนี้ก็ตอบอย่างนี้ก็ตูเสือเปียบแล้ว เราจะต้องตอบให้มันดีๆหน่อยเมื่อไรอาจารย์จะมาถามอีกเนาะพอหลวงพ่อเถือนประสบการณ์อะไรอะไรเลยเห็นมาแล้วอะไรไม่เป็นอะไรจากการที่ปฏิบัติหลายวันรอเมื่อไรเนาะอาจารย์จะมาสอบประหลงพออาจารย์มาสอบประงอีกเป็นไงยอมเชิงคานมานี้ก็พูดให้ฟังก็รู้แหละรู้อะไรรูปลู่นา้าเอ้าคนไม่รูปลู่นา้าก็คนบ้าล่ะเอ้าผมเป็นบ้าสมัยก่อน แต่เรานี้ผมไม่เป็นบ้าแล้วผมรู้มันรูปทํานามทำมันคืออะไรเพราะการสร้างสติมันเห็นรูปเห็นกายเห็นนามคือใจมันรู้อะไรได้มันเป็นของต่อกันเป็นปัญหาเรื่องรูปเป็นปัญหาเรื่องใจเรียกว่ารูปทํานามทำรูปมันทําชั่วรูปมันทําดีนามันทําชั่วนํามันทําดีมันเอารูปเอานามนี้มาทําความชั่วมาทำความดีแต่ก่อนนี้เอารูปไปทาชั่วแต่ก่อนนี้เอานามไปทาชั่ว แต่นี้ต่อไปจะไม่เอาลูปนี่ไปทำชั่วจะเอาลูปทำความดีจะเอาน้ำทำความดีจะเอาน้าไม่ทำความชั่วคุยโวไปก็ถ้าจะคุยมากก็เยอะๆก็เลยแล้วก็ถามต่อไปว่าสมมติว่ายอมเชียงคานอยู่ถ้าโวาอัตมาอยู่วัดมุกหลังสีสักดาลามเนี่ยอัตมาสั่งให้ยมเชียงคานมาหาแต่ว่า ทางที่จะเดินทางมาจากท่าบอ่อมาวัดเนี่ยมันไม่ดนเดงไม่เสือถูกยิงมันเจ็บมันดุมันใส่มันใครมาก็กัดคนตายมาหลายคนแล้วแล้วยอมยังการอยู่ท่าบอ่ออาตมาอยู่เนี่ยสั่งให้มาหาจะมาหาไหมก็มาสิอาจารย์สั่งมังจะไงมาแล้วเสียจะกัดเ อ, อ้พวผมผมยังไม่เห็นเสือเนี่ยถ้าผมเห็นเสือและผมมาจะกข้ามันก็ได้ ผมยังเป็นเสือผมจะกลัวทําไมผมจะยังอาจจะไม่กลัวก็ได้ผมจะฆ่าเสือตายก็ได้โอ้ไม่มีใครฆ่าเสือได้มีแต่กัดเสือห่ะมันกัดก่อนว่าไม่เป็นไรให้ผมเย้ก่อนแต่ว่าอาจารย์สั่งมาก็มาอาจารย์ก็ถามตอบอีบบว่าเกลือเป็นเช็มไหมเช็เ ช, เชงิงคันเกลือก็ไม่ได้เช็มเลยเกลือมันอยู่ในทองมันหผมอยู่นี่ผมไม่เชม็มเอา้าเกลือมันต้องเช็มแหละพูดอะไรอย่างนั้นเกลือทําไมว่าไม่เชม็มมัน เกลือมันอยู่ในถอแต่เมื่อมากระทบกับลิ้นผมผมใจจย็นตอบได้ว่ามันเฉมโอ้พูดนั่นก็ได้เลยพูดนี่แหละพริกเหรอไม่เผ็ดไหมพริกก็ไม่เผ็ดเอาเบือเลยพริกไม่เผ็ดดีแล้วเกลือก็ไ ม, ม่เฉมเอาพริกมันอยู่ในกระถอเนอนอยู่ต้นมะโนนผมอยู่เนี่ยผมจะเผ็ดยังไงไม่เผ็ดเออถามไใบถอนี่แหละหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราสมมติบัญญัติพอเขาพูดสรรเสริญดีใจ พรเขาเน้นทธอเสียใจมันปีรดชาติใช่ไหมเป็นสุขเพราะสรเสริมมีไหมเป็นทุกข์พรเน้นทธอมีไหมบัญญัติเอามีรดชาติเน้นทธอก็ดีจเสียใจสรเสริมก็ดีใจได้มาก็ดีใจเสียไปก็ทุกข์ใจอะไรต่างๆมันบัญญัติเอาจริงภายนอกมาห้อยมาเขียนไว้กัใจแล้วเอาใจเราไปห้อยเขียนกับจริงภายนอก ใจมันต้องเป็นใจมันต้องเป็นอะไรกับมันก็หมายถึงอย่างนั้นหลวงพ่อเทียนเออพอได้ยินเขาว่าเสือก็ ก, กลัวแล้วพอยินเขาว่าเกลือก็ช้ำแล้วพอได้ยินว่าพริกก็เผ็ดแล้วคนเราเนี่ยเป็นเช่นนั้นสุขทุกข์ไปห้อยไปเขียนไว้กับคนอื่นความรักความชังให้คนอื่นบงการเราเห็นหน้าก็โกรธเห็นหน้าก็รักกันไม่เป็นตัวของตัวเลยแล้วงพ่อเทียนก็นตอไปผู้ถามก็ถามแบบปรมบัติ ไม่ใช่แบบสมุดทั้งธรรมะด้วยทั้งสมมุติด้วยมันมีสมมุติอยู่ในเรามันมีประมัดอยู่ในเราสมมุติคือบัญญัติเดาว่าชอบว่าไม่ชอบเพราะวัตถุภายนอกภายในบัญญัติเดาว่าของจริงถ้าเราลักก็รักจริงจริงถ้าเราโกรธก็โกรธจริงๆรงามตามความรักทมตามความโกรธผมว่าเดียนตอบไปเท่านี้อาจารย์ก็ว่าอนุโนาเลโยมเชื่อการเ้ย ร้อยคนจะมีหนึ่งคนตอนนี้หมายคขาว่าไงหมายถึงรู้จากปรมาจเลยทีเดียวว่าสมมติเนี่ยบัญญัติวัตถุอาการาต่างๆมันล่นโลกโลกมันเต็มไปด้วยสมมติด้วยบัญญัติแล้วเป็นสุขเป็นทุกข์พอสมมติบัญญัติม า, มากแล้วจึงมาดูมันเนี่ยเห็นธรรมจากว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นไหมผ่านตรงนี้ไหมทุกคนต้องเจอเหมือนกับทางไปตรงนี้ มันจะมีอะไรตรงนี้เหมันทางมาสุโกโต้มันหลงตรงไหนบางคนเขาก็มาบอกให้เขียนป้ายแล้วก็ยังไม่เขียนป้ายเท่าที่ควรมอาจารย์ต้องมาเขียนอาจารย์ต้องมาอยู่หกปีเจ็ดปีมาเนี่ยไปเขียนป้ายแต่ก่อนเราไม่เขียนแต่ก่อนสุโกโต้ก็เพียงเขียนว่าป่าสุโกโต้คนมาหาบอกว่าป่าสุโกโต้น่ะมันเป็นวัดหรือเป็นบ้านนาะหรือเป็นอุทยา น, ยนอะไรเนาะ เอาป้ายเอาคนมาบอกว่าเขียนป้ายด้วยเขียนป้ายด้วยแล้วไม่ได้เขียนเลยเพราะเราไม่อยากเอาป้ายไปติดไว้หลักธงชาติแบบนั้นเราก็ไม่ค่อยบางทีเอารูปพระอาจารย์ไปติดไว้ที่ป้ายวัดโชว์เป็นสไลด์ไปตามถนนนั่นด่างเราไม่ชอบแบบนั้นจนถึงเจ้าคณะจังหวัดมาโมกเขียนวัดสิมันเป็นวัดทำไมไม่เขียนเป็นวัดทำไมเขียนป่าสุขนตั เรามาเขียนเป็นวัดป่าสุโขทตที่จริงมันวัดเอราวัณและคนส่วนมากเรียกสุโขทตเพราะว่าเพราะว่าที่นี่มาดีไปดีอยู่ดีปฏิบัติ ด, ดีนะ่ะส่งแล้วการพูดการพบกันทุกวันนี้หมายถึงโศกบอารมไม่จําเป็นต้องให้ไปถามเป็นตัวเป็นตัวไปเราสอบต เ, เองเราตกต เ, เองเราผ่านเ อ, เองถ้าเราเห็นกายอย่าเป็นไปกับอาการทั้งหมด อะไรก็ตามมาเช่กาแม้แต่รูปรถกลิ่นเสียงที่มันมีเกี่ยวข้องกับกากับรูปทนมทนธรทมนี้ให้เราเห็นมันเราจรึงจะอยู่กับโลกอย่างสง่างามศิลปะใงการอยู่กับโลกอย่างงดงามเขาเนินทาระก็เขาไม่รู้เนาสงสารเขาเขาเสรินเฉินเราเรารู้ตัวเองกว่าเขารู้เราเราไม่เป็นไปกับเขารู้ ไม่ใช่ดีใจไม่ใช่เสียใจเรียกว่าอะไรเรียกว่าโลกกระทำคนส่วนมากตกอยู่ในโลกกระทำคล่องมั่มอะไรโลกกระทำปะอย่างที่เราสวดเราตกคล่องมั่มแล้วอมจราแจกเท่านำเข้ามายั่งยืนเราจะต้องพัดภาคจากของรักของเจ้าใจตั้งนานอะไรที่เราสวดไปไ ม, มันเป็นโลกกระัำอยู่ในเราก็สังขารโลกรูปโลก มันไหลไปเรื่อยสู่ความแก่ความเจ็บความตายไม่มีใครป้องกันได้บางทีเรายังไม่ตายยังไม่เจ็บก็กลัวแล้วทุกแล้วยังไม่เป็นเลยก่อนนึกถึงความเจ็บก็กลัวแล้วหรือว่าคนหมอจะมาฉีดยาให้แล่ะกลัวแล้วยังไม่ฉีดเลยกลัวแล้วไม่ต้องตะเาคนบ้าไปฉีดยาแต่ก่อนมีคนบ้าบอยู่นี่คนเล่าคนเล่าก็เราอยากจะดูแลรักษาพาไปหาหมอที่จิตเวชจะเอาฉีดยาให้ พอเอาไปขิดยาขึ้นเตียงหมอเอาเข็มยาโดดลงเตียงนาทีวิ่งออกประตูไปเยืนอยู่น้ า, าลงไปาบานลานยาขี้มือแตอ่วมันจะฆ่ากูเลยนะ่ะกูไม่รู้นะถ้ากูรู้ไม่ทันมันกูตายแนย่นอนอะไรขี้มือขี้ไม่อยู่โวยวายโวามากโกรธหลงพ่อด้วยมากโกรธหลงตาด้วยว่าอาจจะเอาให้เขาไปฆ่าอะไรไปพูดทําไงดีหมอหมอแบอกว่า เออตำรวจนะเอาตำรวจมาจับแล้วมามัดมันไม่ขีดจ่าให้มันขีดจ่าให้มันนอนหลับซะก็เลยเออเราจะพามันกลับบ้านเนี่ยจะทำไถ้ามันนอนมันหลับมันจะโตดลงรถหรือมันจะตายหรือไปไงหรือจะฆ่าเราซะเราก็เป็นหนุ่มแล้วเราก็แจ๋แล้วก็ไปกับคนขับรถสองคนก็เลยไปพูดเฮ้ยจ่อยเอ้ยมึงเนี่ยดีๆไปกูจะพามึงกลับบ้านอยู่นี่ได้านเลยเขาจะฆ่ามึงเฮ้ยมันจะฆ่าเราน่ะ ไปกูจะพามึงกลับบ้านไปขึ้นรถเร็ววิ่งวิ่งขึ้นรถปิดกระจกปิดประตูหลังนะไม่มันข้างนั่งข้างหน้าด้วยนะแต่ก่อนให้มันนั่งเก่งข้างหน้าด้วยอาเนี่บอกไปนังข้างหลังไปไปบอกหมอคุณหมอเอาอย่านอนหลับให้อัตมาอาตัตมาจะไปให้หมอทำไอ้อขีรให้ที่แจ้งอาจารย์เป็น่ฟฟ้ามันหลอกวันขึ้นรถปิดประตูหน้าต่างก็ให้เปิดเลยมึงจะเปิดหน้าต่างนะมันร่อนสรงางของมันมันร่อนอยู่นี่ลนะ่ะไอ้เบี้ยมามาถึง วดป่าสุกโตเปิดด้านตาออกเงือไหลโสมเลยสนหน้ามันแล้วก็วันต่อมาก็พาไปหาหมออนามัยเอาอีกเหมือนเดิมละ่ะพอไปอนามัยพอจะขิดจ่า ก, ก็ตะลดนลงใจวิ่งมาถ้ารถพอดีรถจอยสารจอดอยู่ลันตา ก, ก็เร้ยกาบอกว่าจับปักจอยให้นานเลยว่าเขากคนโดยสารก็ลูบจับมัดมันเลยหิวมันขึ้นสาเนใหม่ก็ขีดจ่าให้ ลิ่นมัดไว้จับละหลายคนพอฉีดยาแล้วโอ้ยหมอเอ้ยแม่เอ้ยเยขาจะาคาใครแล้วเมา่อชอยคนนั้นเนอะพอเอ้ ย, ออยก็จะหนุกดีเลยหัวโลบอ่ะเนี่ยพอจิจยาแล้วหัวโลอ่าหมอบอกว่าเอามันกินเรื่อยๆแล้วมันจะหลับลกันหลกักลับมาว่าจักรโตลากคอนไปนอนที่สัลันหลับสองวันสองคืนอ้าวจำหน้ามึงเลยว่าเอาไปก็ไปหายเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้ไม่อยู่ในแล้วรอยไปอร์นแล้วเป็นว่าอยู่จ้งข้อกินน้าตะครองในตลาดไม่เบื่อไม่เมาเลยไปกอบกินน้ำไหลตับตลาดตลาดสดโดดตามกินของเจดของเหลือไปนอนให้โยงกัดไม่มีอะไรเลยเลือดบ้าหมาบ้ากัดก็ไม่เป็นบ้างูกัดก็ไม่ปวดพวกเนี้มันเป็นบ้าเลือดบ้ามันเอาไปกินน้าไหลจาก ตลาดนี่ก็ช่องเสียแล้วเพาะบ้าเต็มรอยเลยอันนี้ไหมครับกลัวพอเห็นเข็มเราก็กลัวยังไม่ถูกเราเลยเราต้องไม่ต้องกลัวเลยนะอ้าวเจ็บก็เจ็บไปอ้าวปวดก็ปวดไปเราไม่ทุกประกอบเจ็บเราไม่ทุกประกอบปวดเราไม่สุขเพราะอะไรทั้งสิ้นในโลกเนี่ยจะเป็นยังไงจึงจะเป็นเกตุที่ดีเข้าบทูแห่งพระเดียบุคคลได้ถ้าเกตุไม่ดีเข้าไม่ได้นะเหมือนเราเรียนหนังสือเนี่ย ถ้าเกดไ่ดีเข้ามหาวิเลยไม่ได้ต้องนับตั้งแต่ปถมในไปอะไรเกดซีเจเลยเอาไปอ้างไปเอาไปเข้ามัธยมเอาไปเข้าชัดนดมมหาวิเลยได้สบายเลยการปฏิบัตินี้ก็เหมือนกันนั่นแหละต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นภาวะที่รู้ให้มากๆ ม, มันก็ไม่ยากความลุกงอาศัยใครก็ไม่ได้ต้องอาศัยตัวเองมันมีบทเรียนอยู่ตลอดเวลา ความลู้ของหลงกันคู่กันโชว์กันอยู่ตลอดเวลาความสุขความทุกข์มาอะไรก็มันเกิดเยอะแยะเลยเราเน่ยโรคกอดหลงจิตเดชนะราคะวิชาตนวาวบัณฑ์มีเยอะแยะเลยดง น, นเนี่ยชีวิตของเราเนะ่ป่าดงพงไผม่มีทุกอย่างอยู่ในชีวิตเราเน่ยความรักก็มีความจังก็ดีมีความโลคความโกรธความหลงจิตเจตนะราคะก็มีแล้วแต่บัญญัติ วัตถุอาการสั่งงานเราวัตถุอากันก็เต็มไปด้วยโลกมีท้องฟ้ามีก้อนเมฆมีน้ำฝนมีแสงอาทิตย์มีสสงแดดมีละอองหนาวมีอะไรเยอะๆไปเลยไม่ต้องทุกข์ได้ไหมเป็นเห็นเป็นธรรมชาติเป็นอาการแม้จะแก่จะเจ็บจะตายาตกย็ไม่ต้องทุกข์เลยไม่ต้องทุกข์เลย มันทำได้จริงๆริงนะมาจึงเหนือการเกิดเจ็เจ็บตายได้จริงจริงอ่ะนี่อันที่菩 ศ, ศาสดาของเราอุบัติขึ้นมาในโลกเพื่อมาโปรดสัตว์ทั้งหลายคือคนเหล่านี้เนี่ยมันมีอยู่ในตัวเราความรู้ความหลงมีในตัวเราความสุขความทุกข์มีในตัวเราบางทีก็เปลี่ยนกันสุขก็เป็นทุกข์ได้ความรักกลายเป็นความชังได้เคยเสียใจเพราะความรัก เคยดีใจเพราะความรักคนดีเราก็รักก็ทุกคนชั่วเราก็ทุกมันเป็นทุกไม่ทุกได้ไหมแต่ทุกคนต้องพัดภาคจากกันไปถ้าไม่ทําใจตรงนี้มันจะประเสริฐได้ไงคนเราเนี่ก็เลยสอนเอาไปมาก็อยากเห็นเยี่ยมให้ลงตาดูชั่หน่อยวางใจชักหน่อ ย, อยเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่ไปคิดอะไรเดี๋ยวนี้อันเดี๋ยวนี้มันละเดี๋ยวนี้ได้ เปียนทวงทุกเป็นความไมทุกได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไปลำลี่ลำไลพี่ไร ล, ลำพันอะไรเรียกว่ากําหนดรู้โดยการรู้กําหนดรู้โดยการบันเทากําหนดรู้การละอันความทุกข์นี่ไม่ใช่บันเทาเป็นการละได้เลยหนูเอ้ยอันความหิวหรือบรรเทานะทุกพราอความหิวต้องไปกินข้าวทุกพราะการหนาวต้องไปห่มผ้าทุกพราอการร้อนต้องไปอาบน้ํา ทุกพอนั่งนานต้องยืนขึ้นทุกพอนอนนานต้องลุกขึ้นมันต้องมันเถ่าทุกอันนั้นน่ะแต่ทุกใจนี่ไม่ต้องมันเถ่ากูด่ามันแล้วกูจะดีใจกูฆ่ามันแล้วกูจะดีใจถ้ากูไม่ด่ามันกูไม่ดีใจไม่ใช่ไปมันเถ้าแบบนั้นละทันทีเดี๋ยวนี้ความทุกแบบนี้มันเกิดที่เราเลยไม่ใช่เกิดที่คนอื่นอ่ทาทางใจ มันก็เหมือนกันอันความทุกข์คนดีก็ทำให้เราคนรักก็ทำเราเป็นทุกข์คนไม่ดีแล้วก็ทำาห้เราเป็นทุกข์มีไหมพวกเราเนี่ยทุกข์เพราะคนไม่ดีมีไหมทุกข์เพราะคนดีมีไห ม, ท, ม, ไหมทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเอาคนอื่นมาห้อยใบแขนเอาใจของเราไปห้อยแขนไว้กับคนอื่นไปฝากไว้เลยต้องเป็นตัวของตัวจึงมาผ่านตรงไหนบ้างเห็นมันเห็นมันมีกันทุกคน ความพอใจความไม่พอใจ ม, มีกันทุกคนความหลงของรูปมีกันทุกคนเห็นมันซะผ่านตาเรบ่อยจึงมีวิธีอย่างนี้มีหลักอย่างนี้การปฏิบัติมีฐานอย่างนี้เรียกว่ากรรมฐานคือที่ตั้งแห่งการกระทําเป็นที่ตั้งตรงนี้จริงๆเหมือนเขาเล่นตะก้อมีคนตั้งแห้มีคนยิงแต่อันด้นเป็นเป็นทีมสามคนบ้างเล่นฟุตบอลก็หลายคนเพื่อจะเข้าประตูให้ได้ ประตูทำเคยเลยคือไม่เป็นอะไรอะไรที่มันมาทางไหนตั้งไว้ตั้งตรงไหนตั้งไว้กับสติประตูตรงไหนพ่นแล้วถ้าลู่ที่ใดก็พ่นแล้วถ้าลู่เห็นก็หลุดพ้นแล้วเหมือนเราเห็นงูงูก็ไม่ได้กัดเราเราเห็นหนามหนามก็ไม่ได้ทิ่มเราหรือจะเดินให้งูกัดเลยไม่มีหรอกมันทุกข์ก็เห็นมันเจียจะเป็นผู้ทุกข์ทำไมงูกัดแล้วเคียนตายไปแล้วร้องให้ไปแล้วเสียใจไปแล้ว เห็นมันอ่จจะเป็นไงทุกนี่เป็นการเห็นเป็นกันละทุกพระเจ้าเห็นอะไรเห็นทุกตัดจะลูดเนี่ยเห็นทุกอะไรเป็นทุกสมุทัยส ม, มทุสมมทัยต้องละนิโรดธรรมะแจ้งมักเป็นทางออกการมีสติเนี่ยสมบูรณ์แบบที่สุดเลยอะสังขารกันอะไรสมุทัยกันอะไรคือความหลงเมื่อมาหลงก็โปรงแต่งไปสังขารคือมันขยันปุงขยันคิดขยัน อะไรพอใจกับจางนั่นจนนี่ไปไหลเรื่อยสังขารเหมือนน้ำไหลาจากที่สูงลงโตัที่ต่ำอะไรที่เป็นผิดผลของสังขารน่ะไม่เที่ยงทางนั้นไม่เที่ยงเลยเหมือนนายช่างปั้นหม้อหม้อลูกไปที่นายช่างปั้นขึ้นมาแม้จะงามจะขี้เละจะเล็กจะโตก็แตกทางนั้นผิดผลของสังข า, ขารเนี่ยี้หน้ามาเลว่ามันไม่เที่ยงหรอกมันไม่ใช่ตัวตนเลยสังขารน่ะเห็นแจ้งจริงๆอะสมุทัย อ่าก็อะไรที่พระเจ้าตัดจะลบมันเห็นไปอย่างเนี้ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเราได้สวดไหมไม่ใช่เนี่ยผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าผู้นั้นเชื่อว่าเห็นธรรมคืออันนี้คือความทุกข์สมุทัยที่เมื่อได้เกิดทุกข์มักคือดูเวลาเราเจอในสติมักคือภาวะที่เห็นที่ดูเห็นแล้วไม่เป็นกับมันไม่เป็นกับมันมันสุขก็เห็นมันสุขมันทุกข์ก็เห็นมันทุกข์มันหลงก็เห็นมันหลง มันลูเนนน่เห็นมันลู่มันพุ่งซ่านเห็นมันฟุ่งซ่านมีกันทุกคนว่าในสอบถามนักปฏิบัติมันก็สบงบลงบ้างแต่ก่อนมันหอบป้ากอดีตเอ่ามาอนาคตกเกามาวิ่งไปข้างหน้าวิ่งไปข้างหลังจิตใจของเราเนี่ยพอมาลู่ตรงนี้มก็เป็นปัจจุบันอความเครียดก็น้อยลงหลวงพ่อแต่ก่อนควเพียดรบกวนเดี๋ยวนี้น้อยลงไม่คิดอะไรมีแต่สติ เมื่อไม่มีสติเก็ยตมันว่างไม่ปรุงไม่แต่งจะ ท, ไทาไงต่อไปเขาก็บอกว่าถ้ามันสงบมันไม่ปุม ก, ก็ดีแล้วเหมือนน้าที่มันนิ่งแล้วก็ส่องดูใบหน้าเราได้แต่ก่อนน้า ม, มันกับเพื่มคิดตนคิดนี้ไปข้างหน้าไปข้างหลังคนหนุม่มคิดไปข้างหน้าคนชราคิดขึ้นข้างหลังวันนี้มันไม่ไปมันอยู่ปัจจุบันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตลู่อยู่ลู่อยู่ มันก็หลอกไปได้คนคิดหลอกไปได้ใจก็ว่างลองว่างลงว่างลงนะมันนิ่งก็ดูเงาดูเงาตัวเองสองหน้าโคนผมทาแป้งแต่งตัวได้อาจิตที่มันนิ่งแล้วก็อย่าไปอยู่กับความเน่งยกกจิตขึ้นสู่วิปั จ, จนาภูมิเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมอย่าให้มันว่างเฉยเฉมัจะไปว่างอยู่ะมันจะไปสงบเป็นสมถะไปคนปฏิบัติธรรมตายอยู่ตรงนั้นเยอะแยะ บางทีก็รู้อะไรเป็นวิป จ, จันูไปเลยรู้มากดีใจดีใจรู้อะไรสงบปะะัจจิตสงบสบายไปเลยก็อยู่ตรงนั้นแหละจะเป็นสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานนี่เกิดก่อนวิปจันนาสี่ห้าพันปีนะวิปจันนาเกิดที่พระศิรถะได้อวบัดขึ้นในโลกเป็นพุทธเจ้านก็เลย เชียงบ่าเชงไหสมรรกรรมฐานวิปั จ, จนากรรมฐานสารศาสกรรมฐานนี่สอนง่ายวิปั จ, จนากรรมฐานต้องขยันหน่อยต้องขยันรู้สมรรถนี่เอาให้นั่งนิ่งไปเลยหลับตาเน่งบริกรรมวุทโตหรืออะไรว่าไปว่าไปให้บีบมันเข้าไปบีบมันเข้าไปอย่ามานิ่งแล้วก็ตัวแข็งได้อันนั้นเคยทํามาแล้ว แต่อายุ17ปีเป็นหมอใชยศาสตร์ฝึกสมถกรรมฐานมาถ้าไม่ฝึกอะใช้ศาสตร์ไม่ดีไม่เขีข้ยวคาดถ้าจะไปดูผีไล่ผีต้องบริกรรมคาถาไล่ผีถ้าจะไปจับโจรพลายต้องบริกรรมคาถาโยงคองกระพันมองมีดเหมือนกับใบหญ้าจึงจะนอนได้ถ้าจะไปจับโจรสมัยก่อนโจรผูพลายรักหัวลักควายถ้ามองมีดไม่เป็นใบหญ้าอะเรียกว่าบริกรรมไม่ได้ต้องบริกรรมใจสงบ มันก็ยังมีกิเลสต่าความโลภความโกรธความหลงอยู่แต่ว่าวิปัชนานี่ลื้อถอนเลยวบายเหลืองปัญญาลื้อถอนได้เลยหมดเลยนะ <c oughs> ไม่มีคําว่าทุกข์เลยมีแต่ปัญญาอย่างที่เราเรียนพระสูตรต่างๆเรียกว่าภิกษุการเจกขาของภิกษุภิกษุคือผู้เห็นไัยมีไหมความหลงใจเราไหมความโกรธไหม ความทุกข์มีไหมความพอใจเสียใจมีไหมเนี่เรามีไัยแล้วแทนที่เราจะพิ่งใจร้ายเรียกว่าผู้มีไัยไปทางใจอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายแล้วว่าเห็นภัยทําไมมีการศึกษาศึกษาไงคือฉินสมาธิปัญญาฉินสมาธิปัญญาทำไงแปว่าปานาปาต า, า, า, า, า, า, าหรือบางทีก็หลอกค่ะสุลาเมระยะยังกินเหล้ายัง มีอยู่ยังมาหลอกครับว่าจุฬาเบระยะสวาทานบางคนก็บอกว่าจุฬาพอพระนําหน้าไปก็นี่ไปเอาดอกวันนี้เอามาแล้วเมา อ, อยู่ก็เมยมันตลกไปไม่ใช่อันนั้นเป็นศีลศีลมาเคือเจตานางดเป็นคืออะไรเรารู้สึกตัวเนี้ยมันเป็นศีลไหมเราไปพูดอะไรเราไปทําอะไรเราไปคิดอะไรเพียงแต่คิดก็อายแล้วไม่กล้าคิด รู้สึกตัวก่อนมันจะทำอะไรมันก็รู้สึกตัวอยู่นี้ล้วก็วาจาจะพูดอะไรเข้าไปพูดแล้วอยู่นี้มันเป็นศีลแล้วมันเป็นสมาธิแล้วมันเป็นปัญญาแล้วรู้ผิดรู้ถูกเมื่อมันหลงก็เปลี่ยนหลงเป็นรู้เป็นปัญญาแล้วเมื่อมันทุก็เปลี่ยนทุกเป็นรู้ก็บอกอยู่นี้เ็าเป็นปัญญาแล้วเกตมันดี เปลี่ยนงเป็นรูปเปลี่ยนทุกเป็นรูปเปลี่ยนอะไรอะไรง่วงเงาหอนอนเปลี่ยนมาเป็นตัวรู้เป็นชิดพงช์ช้านเปลี่ยนมาเป็นตัวรู้เนี่ยมันทําได้จริงๆเรื่องนี้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ปฏิบัติทำเนี่ยไม่ใช่มาขอมาเอาอะไรมาเชื้อมาหามาอยู่กับเราอยู่แล้วภาวะตะัวรู้ตัวนี้จึงมารวมกันเถอะพวกเรามารวมกันมาลําดับมาลำำํานํา เป็นความโบดุลของพวกเราต้องมีทั้งประงสงค์จำเนนแม่คิดวาจกบวาจิกาสมบูรณ์แบบพุทธบริษัททั้งสีถ้าเราไม่รู้ตรงนี้นะแม่ใครจะมาทำลายเราก็อะไรก็ได้ถ้าเรารู้ตรงนี้ไม่มีใครทำลายเราได้เพราะศาสนาคือเราทุกคนเป็นคนดีถ้าคนรู้คนไม่เป็นคนดีแล้วมันก็เสื่อมไปแล้วเพราะนั่นเราจรึงมา ศึกษากันตรงนี้เรียนตามพ่อก่อตามครูมันก็ไม่อยู่ที่อื่นเลยมันหลงไว้ก็ไม่อยู่ที่อื่นเลยก็บอกแล้วถ้ามันหลงก็รู้อะไรก็ตามเอาตัวรู้ไปตัวเฉลยสร้างเตจให้มันดีๆถ้ามันหลงไปมันสุกก็ุกไปเรียกว่าสอบตกนะถ้ามันทุกข์ก็ทุกข์ไปสอบตกถ้ามันสุกก็เห็นมันผ่านได้ถ้ามันทุกข์ก็เห็นมันมันหลงก็เห็นมันเนี่ย ตอนนี้มันยากไหมต้องไปเจนใครมาช่วยเหลือหลวงพ่อหนูหลงแล้วมาช่วยด้วยช่วยด้วยหลวงพ่อหรื อ, อาารไอ้เจนไหมมีได้ไหมเป็นได้ไหมอย่างนั้นนะไม่ได้เราหลงไว้ก็รู้เอาเรารู้รลแล้วใครเอามาให้ไม่บอกใครไหมไม่บอกเป็นของใครปัจจิตตังปัจจิตังคืออะ ร, รู้เองเห็นเองหลักนี้นี่เป็นของจริงอันสมมุติไม่เป็นของจริงไม่ใช่ว่าเออคนนั้นได้ยานเท่านั้นคนนี้ได้ยาณเท่านี้ ให้อาจารย์ไปคนบอกคนนัตยานสี่คนนัตยา 4, นสิหกย า, ยานคือภาะวะล่วงผ่านใปพ้นหรือยังล่วงข้ามไปข้ามจากที่สุดคือการเกิดแเจืตายข้ามได้หรือยังถ้าไม่มียานไม่จะให้ใครมาบอกว่าได้ยานเท่านั้นเลยยานคือข้ามไปพ้นไปหลุดไปขนส่งไปหลองตางใครพูด อ, อบรมพระนักบวชของศาสนาอื่นเรามาขนส่งกัน อย่ามาพูดเรื่องศาสนาเลยพวกเราเป็นนักบวชมาขนส่งคนให้พ้นจากปัญหาเรื่องกายเรื่องใจอย่ามาทะเลาะกันปัญหาของคนมีมากความหลงความทุกข์ความลำบากความอาฆาตเบียดเบียนกันมีมากทําไงพวกเราจะมาช่วยให้ไหมขนส่งให้คนพ้นจากตัวเองจากความเป็นคนเป็นมนุษย์จากความมนุษย์เป็นอาเรียบุคคลเป็นเทวดาเป็นผมเป็นอินเป็นพระเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นพุทธในหัวใจ ให้มันพ้นไปจากความเป็นคนคนนี่มันปะปนกันเหลือเกินขมร้ายขมดีผูผูแพบแผบหรือเป่าคนถ้ามันสูงขึ้นมาเป็นมนุษย์มันก็เหนือขึ้นมาหน่อยไม่เอาลมมาไม่เอาเอารมณ์มาเป็นใหญ่เอาเหตุเอาผลเอาสติปัญญาเขาพูดดินทาก็เออไม่เป็นไรช่างหัวมันเป็นมนุษย์แล้ ว, ลวเสือเสือเดอไม่เป็นไรช่างหัวมันอาจารย์พุทธาสอนว่าอย่า ไม่เกิดไม่เจ็บไม่เจ็บเป็นตายมีสามลากเอาไหมจะบอกอยาเหนือการเกิดเจจะบตายมีสามลากช่างหัวมันมีไหมเคยว่าไหมไม่เป็นลรเคยว่าไหมเป็นเช่นนั่นเองพ้นแล้วถ้าใครว่าช่างหัวมันเน่ยอะไรเกิดขึ้นเป็นบุญอภัยทานอ่าเขาว่าอะไรก็ช่างหัวมันเคยว่าไหมสามีพัญญากันเนี่ยเออสร้างเราท้ะ ไม่เป็นไรดอกให้ไปกันได้แทนที่จะด่ากันไอ้ช่างล้อช่างเถอะช่างเถอ ะ, ถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไ, ไม่เป็นไรล<ม>่างเปกอ่าไม่เป็นไรแล้วเดยก็อนระมาณาลหงตาสอนเดนินเดินสองคนเดินม า, มาชนกันพอจอดกลล็ล้มท้องระถาลุก็มาต่อยกันเลยมีไหม <c oughs> มึงมองหน้ากูมไม่ใช่พ่อมึงนะบางทีหลวงตายังเห็นเลยแต่ก่อนนั่งรถ โดยสารไปตามทางรถสีชมจอดที่เชลาร์บุรีน้ำลำไยน้ำลำไยถุงหนึ่งสองบาทถุงหนึ่งสองบาทลำไยลำไยถุงสองบาทสองบาทเยืนขึ้นตามหน้าต่างรถพีโยมก็อเอาไปสานมาเราละ่ะถุงละบาทได้ไหมถุงละบาทแปลน้ําเยี่ยวแม่บางโน่นหอ <c oughs> โอ้ยคนเรานี่นาะแล้วคนที่ได้ยินก็บา่าก็โกรธถ้าเราทําใจจะได้ไหมไม่เป็นลไร ได้ไหมองนั่นน ะ, ะเพี้ยนไล่เป็นดีชั่หน่อยได้ไหมมีไหมคนที่บ้านเราด่าเราทํา ง, งานร่วมกันเป็นใบาบานทํา ง, งานเป็นตัวเมงไม่เป็นไรผิดแล้วแล้วไปชากหัวใช่กรมไล่กรมดีคนเราถือสาเรื่องกันไปได้นี่อย่าหลุดพ้นให้ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรสองคนเนรน้อยล้มลุกคดต่างภาพหนึ่งลูกขึ้นมาต่อยกันแล้วอันอันนั่ะ ไม่มีช่างความบันไม่เป็นไรเอาภาพที่สองให้เนเนเดินไปชนกันล้มลุกขึ้นมาขอโทษครับไม่เป็นไรทำใจได้ไม่เป็นไ ร, จไไ เ, นไรเจ็บไหมครับไม่เป็นไรเจ็บพ็พ อ, พอทนได้ผมผิดนะไม่ใช่ผมก็ผิดท่านขอโทษนะทุกคนไม่เป็นไรเลยไม่ต้องตีกันเลยไม่ทะเลาะกันเลยมีไหมอภัยทานเกิดกันแล้วจแจราได้บุญ ถ้าไม่มีอภัยทานจะได้บาปทะเลาะกันดานน่ากันตีกันฆ่ากันเป็นบาปขณะนั้นเป็นบุญจ้าเปลี่ยนบาปเป็นบุญได้ไม่เป็นไรพอทนได้นถ้าเราว่าอย่างนี้มีทานอยากเอาเงินเอาทองเอาเข้าวของมาให้อย่างเดียวทานให้กันเพื่อนกันให้ทานกันตั้งรงทานในบ้านในเรือนเราอาภัยให้ทานให้ตลอดเวลาให้สร้างรงทานตรงนี้แล้วก็ทำมทาน เขาบอกกันด้วยอะไรที่พวบอกกันเลยเช่นเราสามีปัญญานหะนเราสองคนนะจะทุกดีมีจนเพราะเราสองคนนี่แหละจะทีอะไรผิดก็บอกเราด้วยไม่ได้ถูกก็บอกเราด้วย mm hmm. เวลาบ อ, อกลาเตนกันอย่ากโกรกกันนะอย่าลงตาบวชพระบวดเนเนเนี่ยให้นิสัยขอนิสัยต่อไปนี้เราเป็นพระตกกันนะพระของเราทั้งสองฝ่าย mm hmm. เคยมีตกกันแล้ว mm hmm. เกิดขึ้นแล้ว พระละของเราต้องบอกต้องสอนนะให้เป็นคนดีพระละของคุณก็ต้องเชื่อฟังเรานะอย่าดื้อดึงเอาแต่ใจมีเสียอย่างไงมาเวลาสอนอย่ากโกรธนะให้ตั้งใจฟังดีเราจะสอนให้เป็นคนดีให้เป็นพระจะหล่อร้องให้เป็นพระนะต้องอาศัยการบอกการสอนถ้าเราไม่สอนจะมอบไว้อาจารย์หรือว่า อันเตวะจิกของอาจารย์ถ้าอยู่กับเราเป็นสัตธิภาริกของเราถ้าไปอยู่กับอาจารย์ก็ต้องอันเตวะจิก ข, ของอาจารย์ต้องเคารพอาจารย์นะอย่างนี้พระ Mayor บางวัวที่ยกให้อาจารย์วเทพเป็นอันเตวะจิก ข, ของอาจารย์วเทพอาจารย์วเทพก็เป็นอันเตวะจิก ข, ของเขาหลวงตาเป็นปุบชาเป็นสัตธิภาริย์ของเรารับผิดชอบอย่ากลัวกันนะเวลาถูกบอกถูกสอนอย่าเมื่อะไรต่อคำํำสอนนะขี้เหยียดตำตามไม่เจริญนะ สัญญากันอย่างนี้อยู่ด้วยกันนะงั้นเช่นได้ร้อยพวงมาลัยเรามาต่างตระกูลต่างบ้านต่างถิ่นมาอยู่ด้วยกันนะทำให้ในของเราเหมือนเช่นได้ร้อยดอกไม้ดอกไ ม, ไม้จะเป็นต่างสีเมื่อว่าร้อยเข้ากันเป็นพวงมาลัยกลายเป็นราคาขึ้นมาเข้าเตือกันเลยสามีปัญญาเพื่อนเรามานะให้เราเตือนกันนะทุกดีมียาติอยู่กับเราอย่ากลัวกันนะ อาว่ากันอ่าเรียกว่าป่าวาและาต่อกแล้วอย่ากโกลักันแล้วที่ก็คนหนึ่งเข้าใจผิดไปคนหนึ่งไม่รู้ก็ไปด่ากันเข้าใจผิดไปมีเหมือนกันอาอย่าไปโกรธร่วมคนผู้โกรธก่อนถ้าเขาโกดก่อนเขามาว่าเราถ้าคนคนโกรธโกรธที่หลังเนี่ยเป็นบาปสองเท่าคนโกรธก่อนเป็นบาปเท่าหนึ่งคนโกรธที่หลังเป็นบาปสองเท่าเขาผิดแล้วเรายังไปผิดร่วมขเขาอีก มันก็เป็นบาปสองต่อมากกว่าคนที่โกรธก่อนพระเจ้าบอกอย่างไหมเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนกันช่วยกันตรงนี้สามีปัญญากันต้องช่วยกันตรงนี้ถ้าไม่ช่วยกันตรงนี้ช่วยกันตรงนี้ไม่ถือว่ารักกันไม่ถือว่ารักกันเลยสำหรับถึงไั้นเกิดโกรธโกรธโกรธเพราว่ากันแตกเล่าสองขีความโกรธเท่านี้เปลี่ยนกันได้อ่าเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เพราะนั้นเนี่ยธรรมะเนี่ยไม่ใช่อยู่วัดอยู่กับชีวิตจิตใจของเรานะ